ธรรมบทแปลเรื่องกุมภโกสกะภาคที่สองเรื่องที่สิบหกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวันทรงรารอเศรษฐีชื่อกุมภโกสกะตรัสพระธรรมเทศนานิว่าอุทานวะโตสติมาโตสุจิกรรมัสสนิสัมมะการิโน สัญญาตัสสะจะธรรมะชีวิโนอัปมตัสสะยะโสพิวัติแปลว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่คนผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใครีครวญแล้วจึงทำสมรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยทรรมและไม่ประมาทความพิสดารว่า ในกรุงราชคฤหิวาตะกรโรคเกิดขึ้นในเรือนของราชขหะเศรษฐีเมื่อไอหิวาตะกรโรคนั้นเกิดขึ้นแล้วชาติระฉานตั้งต้นแต่มแมลงวันจนถึงโคย่อมตายก่อนถัดนั้นมาก็ถาตและกรรมกรภายหลังเขาทั้งหมดก็คือเจ้าของเรือนเพราะฉะนั้นโรคนั้น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 ตัวเจ้าไม่ต้องห่วงใยญ่เราทั้งสองพึ่งหนีไปเสียโดยด่วนมีชีวิตยอยู่จึงกลับมาอีกพึ่งขุดเอาทรัพย์40โกดที่เราทั้งสองฝังเก็บไว้ในที่โน้นขึ้นเลี้ยงชีวิตเขาฟังคำของมารดาบิดานั้นแล้วร้องไห้ไหวามารดาบิดากลัวต่อไปคือความตายทำลายฝาเรือน นีไปสู่ชัดแห่งภูเขาอยู่ในที่นั้นสิ้น12ปีแล้วจึงกลับมาอย่างที่อยู่ของมารดาปิดาครั้งนั้นใครๆจำเขาไม่ได้เพราะความที่ไปในการยังเป็นเด็กกลับมาในการมีผมและหนวดกล้นรุงรังเขาไปสู่ที่ฝังทรัพย์ด้วยอำนาจแห่งเครื่องหมาย มันมานดาบิดาให้ไวทราบความที่ทรัพย์ไม่เสียหายจึงคิดว่าใครๆย่อมจำเราไม่ได้ถ้าเราจะขุดรั์ขึ้นใช้สอยซคนทั้งหลายพึงคิดว่าคนเข็นใจผู้หนึ่งขุดรั์ขึ้นแล้วพึงจับเราแล้วเบียดเบียนถ้าใครเราพึงทำการรับจ้างเป็นอยู่ในที่นั้น เขาจึงนุ่งผ้าเก่าผืนหนึ่งที่ยวถามว่าใครๆมีความต้องการด้วยคนรับจ้างมีอยู่หรือไปถึงตรนอันเป็นที่อยู่ของคนผู้ช่างแล้วขณะนั้นพวกผู้ช่างเห็นเ่าแล้วกล่าวว่าถ้าเช่าจักทำงานการของพวกเราได้สักอย่างหนึ่งไซส์พวกเราจะให้ค่าจ้างสาหรับซื้อพัด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 มีช้างและม้าเป็นต้นไปเพื่อต้องการกินหญ้าแม่ทั้งหลายแม้พวกท่านจงลุกขึ้นต้มข้าวยากูหุงพัดดังนี้เขารับคำว่าได้ดังนั้นแล้วลำดับนั้นพวกผู้ช่างได้ให้เรือนหลังหนึ่งแก่เขาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่นะที่ใกล้เขาได้ทำการนั้นทุกวันอยู่มาวันหนึ่ง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 พระราชาส่งสดับถ้อยคําของบุรุษนั้นแล้วก็ส่งดุสเดียภาพในวันที่สองกดีในวันที่สามก็ดีขกรนส่งสดับเสียงของกลุ่มพากโกสกานั้นแล้วก็ตรัสอย่างนั้นเหมือนกันนางสนมแม่นั้นก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันส่งบุรุษไปหลายครั้งเมื่อเขาบอกว่าเป็นมนุษย์กําปราก็คิดว่า พระราชาแม้ทรงสดับคำว่านั่นมนุษย์กับพราก็ไม่ทรงเชื่อตรัสย้ำอยู่ว่านั่นเสียงบุรุษผู้มีทรัพย์มากข้อนี้ต้องมีเหตุควรที่เราจะรู้จักชายนั้นตามความจริงนางสนมนั้นจึงกราบทูลกับพระราชาว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพข้าพระบาทเมื่อได้ทรัพย์พันหนึ่งจะพาทิดาไปออก อุบายให้ซับ์น่นเข้าสู่ราชตระกูลจงได้พระราชารับสั่งให้พระราชทานทรัพ์พันหนึ่งแก่นางแล้วนางรับพระราชทานทรัพย์นั้นแล้วให้ทิดานุ่งผ้าค่อนข้างเก่าปืนหนึ่งอกจากพระราชมเทียนพร้อมกับทิดานั้นเป็นดุจคนเดินทางไปสู่ถนนอันเป็นที่อยู่ของพวกผู้จ้าง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 ได้ให้แก่กลุ่มพักโกสกะผู้มาจากป่าครันซาบ่าเขาบริโภคแล้วถึงความเป็นผู้มีจิตเบิกบานจึงพูดกับเขาว่านายจา๋าฉันทั้งสองเป็นผู้ไม่ล้าขอพักในเรือนนี้แลสักสองวันเถอะนะเมื่อเขาอนุญาตแล้วในที่นั้นนางก็ปรุงพัดอย่างอเอร็จอร่อย ทั้งเวลาเย็นทั้งเวลารุ่งขึ้นแล้วให้แก่เขาและครั้นทราบความที่เขามีจิตเบิกบานแล้วก็วิ่งวอนอีกว่านายจา๋าฉันทั้งสองจะอยู่ในเรือนนี้แหละสักสองถึงสามวันนังนี้แล้วก็อยู่ในเรือนนั้นแต่ทั้งสองนั้นเมื่อมีโอกาสเอาศาสตราอันคมตั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 เธอสองสองจะไปไหนก็ได้พวกเธอทำฉันไม่เป็นเจ้าของเตียงที่นอนสิแล้วนางสนมจึงปลอบว่าจะทำอย่างไรได้เล่าพ่อฉันไม่อาจห้ามเด็กๆที่คุ้นเคยได้ช่างเถอะอยา่าวุ่นวายไปเลยนายจะไปไหนในเวลานี้ดังนี้แล้วนางสนมก็เรียกทิดามาและบอกว่าแม่หนูเจ้าจงทำโอกาส แบ่งที่นอนสำหรับพี่ชายของเจ้าทิดานั้นนอนข้างหนึ่งแล้วพูดว่านางจ๋าเชิญนายมานอนที่นี้แมหนางสนมก็กล่าวกับกลุ่มพักโกรสการนั้นว่าเชิญพ่อไปนอนกับน้องสาวเถิดพ่อเขานอนบนเตียงเดียวกันกับทิดานางสนมนั้นได้ทำความเฉยชิดกันในวันนั้นนั่นเอง นางกุมาริการ้องไห้แล้วที่นั้นมานดาจึงถามนางว่าเจ้าร้องไห้ทำไมแม่หนูทิดากล่าวว่ากรรมชั่วนี้เกิดขึ้นแล้วแม่มานดาจึงพูดว่าช่างเถือแม่หนูเราอาจทำอะไรได้เจ้าได้สามีคนหนึ่งก็ดีกุมพักโกศกานี้ได้หญิงผู้บำเรอเท้าคนหนึ่งก็ดีย่อมสมควรดังนี้แล้ว ได้ยอมรับกุมภาโกศกานั้นเป็นบุตรเคยแล้วขาทั้งสองอยู่ร่วมกันแล้วโดยการล่วงไปสองถึงสวันนางสนมนั้นได้ส่งข่าวแด่พระราชาว่าข้าแต่สมุติเทพขอฝ่าละอองทุลีพระบาทจงรับสั่งให้ทำการโฆษณาว่าขอทัวราชจงจัดทำมหรสพในย่านถนนแห่งคนรับจ้างอยู่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 เขาได้ตำหนีตีเตียนพลางไปนำกหัปะนะมาเพียงหนึ่งกรหาปะนะจากทรัพย์ที่ฝังไว้สีสิบโกรนางก็ส่งกระหาปะนะไปถวายแด่พระราชาแล้วจะทำมอรสบด้วยกระหาปะนะของตนโดยการล่วงไปสองถึงสามวันก็ส่งข่าวไปถวายอย่างนั้นนั่นแหละอีกพระราชาก็ทรงบั ง, บงคับอีกว่า ถดยราชจงจัดทำหมอระสบเมื่อใครไม่ทำจะถูกปรับสินไหมประมาณเท่านี้กุมภโกสกานั้นถูกแม่ยายกล่าวรบเร้าอยู่เหมือนครั้งก่อนนั่นแลจึงไปนำกาบปะนะมาสามกาปะนะแม้อีกนางก็ส่งกาบปะนะแม้เหล่านั้นไปถวายแด่พระราชาโดยการล่วงไปสองถึงสามวัน ก็ส่งข่าวไปถวายอีกว่าบันนี้ขอฝ่าละองทุลีพระบาทจงส่งบุรุษมารับสั่งให้เรียกกุมภกโกสกะนี้ไปเฝ้าพระราชาจึงส่งบุรุษไปแล้วพวกบุรุษไปยังถนนที่พวกผู้จ้างนั้นอยู่แล้วถามหาว่าคนไหนชื่อกุมภกโกสกะเที่ยวตามหาพบข่าแล้ว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 เห็นบุรุษเหล่านั้นแล้วจึง ท, ทําทีขู่ตะคอกว่าเฮ้ยเจ้าพวกหัวดื้อพวกเจ้าไม่สมควรจับลูกเขยของข้าที่อวัยวะทั้งหลายมีมือเป็นต้นแล้วก็ปลอบกุมบาโกสกาว่ามาเติดพ่ออย่ากลัวเลยฉันเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวแล้วจะตูลให้ตัดมือของพวกที่จับอวัยวะมีมือเป็นต้นของเจ้าทีเดียวแล้วก็พา บุตรีของตนใบก่อนถึงพระราชมทียแล้วเปลี่ยนเพศแต่งเครื่องประดับพร้อมศพได้ยืนเฝ้าอยู่นะส่วนข้างหนึ่งฝ่ายกุมภาโกสกะถูกเขาฉุดกระาน่านำมาถวายจนได้ขณะนั้นพระราชาตรัสกับเขาผู้ถวายบังคมแล้วยืนเฝ้าอยู่ว่าเจ้าหรือชื่อกุมภโกสกะ แต่สมุติเทพข้าพระองค์ชื่อกุมภะโกศกาะชก้าพระราชาก็เจ้าปกปิดทรัพย์เป็นนันมากไว้ใช้สอยเพราะเห็นอะไรทรัพย์ของข้าพระองค์จะมีแต่ที่ไหนพระชก้าเพราะข้าพระองค์ทําการรับจ้างเลี้ยงชีวิตพระราชาเจ้าอย่าทําอย่างนั้นเจ้าลวงข้าทําไมคุมภะโกศกะข้าพระองค์ไม่ได้ลวงพระชก้าทรัพย์ของข้าพระองค์ไม่มี ในที่นั้นพระราชาทรงแสดงกระหาปณะเหล่านั้นแก่เขาแล้วตรัสว่าก็แล้วกระหาปณะนี้ของใครกันเขาจำกระหาปณะได้คิดว่าตายจริงเราหายนะแล้วอย่างไรหนอกระหาปณะเหล่านี้จึงตกมาถึงพระหัตของพระเจ้าจู่หัวได้มองดูไป ร, บรอบๆก็เห็นหญิงทั้งสองนั้นประดับประดา ยืนเฝ้าอยู่ริมพระทวารน่องได้คิดว่าคำนี้สําคัญนะชลัยพระเจ้าอยู่หัวพึงแต่งหญิงเหล่านี้ไปล่อลวงแน่นอนขณะนั้นพระราชาจึงตรัสกับเขว่าท่านผู้เจริญจงพูดไปเถิดทําไมเจ้าจึงทำอย่างนั้นคุมพโกศกะเพราะที่พึ่งของข้าพระองค์ไม่มีพระชจ้ข้าพระราชา คนเช่นเราไม่ควรเป็นที่พึ่งของเจ้าหรือร ก, กุมภโกศะข้าแต่ส ม, มุติเทพถ้าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าได้ก็จะเป็นพระกรุณาอย่างยิ่งประราชาเป็นได้สิผู้เจริญทรัพย์ของเจ้ามีเท่าไหร่มี40กวดพระเจ้าาเจ้าได้อะไรไปขนมาจึงจะควรขอเวียนหลายๆเล่มพระเจ้าค่า พระชาจึงรับสั่งให้จัดเกวียนหลายร้อยเล่มส่งไปให้คนทรับนั้นมาให้ทำเป็นกองไว้ที่หน้าพระลานหลวงแล้วรับสั่งให้ชาวกรุงราชฤกษ์กมาประชุมกันแล้วตราตามว่าก็ในพรนะรนครนี้ใครมีซับประมาณเท่านี้บ้างเมื่อด้วยราชกราบทูลว่าไม่มีพระชจ้าข้าระชาจึงตราตามว่า ก็ควรให้อะไรแก่เขาจึงควรก็เราทำอะไรให้แก่เขาจึงควรเมื่อพวกนั้นกราบทูลว่าทรงทำความยกย่องให้แก่เขาจึงสมควรพระเจ้าาพระราชาจึงทรงตั้งกลุ่มพระโสกานั้นในตำแหน่งเศรษฐีด้วยส ก, กระเป็นอันมากพระราชทานบุตรีของหญิงสนมนั้นแก่เขาแล้วเสด็จไปสู่สำนัก ของพระศาสดาพร้อมกับเขาตวายบังคมแล้วกราบตูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทอดพระเนตรบุรุษนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเห็นป่านนี้ไม่มีเขาแม้มีสมบัติถึงสี่สิบโกรธก็ไม่ธรรมาการเย่อหยิ่งหรืออาการสักว่าความตนงตัวทำเป็นเหมือนคนกำพร้านุ่งผ้าเก่าๆทาการรับจ้างที่ถนน อันเป็นที่อยู่ของพวกผู้ช่างเลี้ยงชีพยอยู่หมอมฉันรู้ได้ด้วยอุบายชื่อนี้ก็แลครันรู้แล้วสั่งเรียกมาไล่เลี้ยงให้รับว่ามีทรัพย์แล้วก็ขนทรัพย์นั้นมาแล้วตั้งเธอไว้ในตาแหน่งเศรษฐีใช่แต่เท่านั้นม่อมฉันยังยกบุตรีให้แก่เขาด้วยแ้่แต่พระองค์ผู้เจริญ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 ทางตะวานทั้งหลายมีกายและบาจารเป็นต้นมีปกติไกรกรวนด้วยปัญญาแล้วจึงทมผู้สำรวมไตรตะวานมีกายตะวานเป็นต้นเลี้ยงชีวิตโดยธรรมตั้งอยู่ในการไม่ประมาทจากสติไม่ประมาทเห็นป่านั้นนั่นี้แล้วประรักฐานีว่ายดย่อมเจริญโดยยิ่ง แก่คนผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใกรกรวนแล้วจึง ร, รมสมรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทบาลีว่าอุตทานะวะโตสติมาโตอุมโตมโตสุจิกรรมัสสะนิสัมมะกะริโน สัญญาตัสสะจะธรรมชีวินโนออปาตัสสะยะโสพิวัติในบรรดาคมเหล่านั้นคําว่าอุทานวโตแปลว่าผู้มีความขยันกล่าวคือผู้มีความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้นคําว่าสติมาโตแปลว่ามีสติคือสมบูรณ์ด้วยสติคําว่า สุจิกรร ม, มสะแปลว่ามีการงานสะอาดคือประกอบด้วยการงานทั้งหลายมีการงานทางกายเป็นต้นอันหาโทษไม่ได้คือหาความผิดไม่ได้คมว่านิสัมมกาิโนแปลว่ามีปกติใคร่ครวนแล้วจึงทำได้แก่ใคร่ครวนคือไตรตรองอย่างนี้ว่าถ้าผลอย่างนี้จะมี เราจะทำอย่างนี้หรือว่าเมื่อการงานนี้อันเราทำแล้วอย่างนี้ผลชื่อนี้จะมีอย่างนี้แล้วก็ทำการงานทั้งปวงเหมือนแพทย์ตรวจดูต้นเหตุของโรคแล้วจึงแก้โรคฉะนั้นคำว่าสัญญตัสสะแปลว่าสำรวมแล้วได้แก่สำรวมแล้วด้วยทวารทั้งหลายมีกายะถวารเป็นต้น คือไม่มีช่องคำว่าธรรมชีวโนแปล ว, ว่าเลี้ยงชีพโดยธรรมคือผู้เป็นเครหัดเว้นความโกงต่างๆมีโกงด้วยตาช่างเป็นต้นเลี้ยงชีวิตด้วยการงานอันชอบทั้งหลายมีทำนาและเลี้ยงโกเป็นต้นผู้เป็นบนรรพชิตเว้นอเนสนากรรมทั้งหลายมีเวชกรรมและทูตกรรมเป็นต้น เลี้ยงชีวิตด้วยพิขาจาร์โดยธทรำรคือโดยสม่ำเสมอคำว่าอั บ, บมาตตสระแปลว่าไม่ประมาทคือมีสติไม่ไปปราดับคำว่ายะโสภิวัทตทติแปลว่ายดย่อมเจริญโดยยิ่งหมายความว่ายดกล่าวคือความเป็นใหญ่ความมีโพคัพั์และความนับถือ และกล่าวคือความมีเกียรติและการกล่าวสรรเสริญย่อมเจริญในการจบพระคถากุ่มพรโกสกะดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลชนแม้เล่าอื่นเป็นนมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนาสำเร็จประโยชน์แก่มหาชนอย่างนี้แหละเรื่องกุมพรโกสกะ